คนเรามีความทุกข์ก็เพราะมีกิเลสถูกข์ทางใจให้กิเลสครอบงําแล้วเบียดเบียนตัวเองก่อนเบียดเบียนคนอื่นที่หลังแล้วโลกก็ไม่มีความสุขวุ่นวายเรื่องของกิเลสเท่านั้นเราดูข่าวดูโทรทัศน์ดูอะไรก็จะเห็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นน้ําท่มวมนะ้ําไม่ท่วมน้ำเถียงกันเรื่องผลประโยชน์ รู้อย่างสอนเรนเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้มาแก้ที่ตัวเราเองกิเลสคนอื่นล้างไม่ได้มาล้างกิเลสของเราเราแก้โลกทั้งใบไม่ได้แก้ประเทศทั้งประเทศไม่ได้เราต้องอยู่กับมันทำหน้าที่ไปมาฝึกจิตฝึกใจของเราโลกนี้มันทุกข์นะ ว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่าเกิดมาแล้วคนที่ไม่มีธรรมะเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องอยู่กับมันตลอดไปแบบจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปพวกเรายังมีบุญสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าต้องเรียนให้ดีทุกวันนี้คำสอนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันแสงมาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย ทีมแทบจะล้มล้างคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไปคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อลดละกิเลสเป็นไปเพื่อความมักน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความไม่คลุกคลีเป็นไปเพื่อปราลบความเพียรเป็นไปเพื่อให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นไปเพื่อวิมุตต์ความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อวิมุติยานทัศนะความเข้าใจในพระนิพพาน เนี่ยเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านพาเดินมาเริ่มต้นต้องมักน้อยนะที่สองสันโดษมักน้อยกับสันโดษไม่เหมือนกันสันโดษในยินดีตามมีตามได้ได้มากก็ดีแต่ถ้าเราจะไปทิพานเนี่ยต้องเติมมักน้อยเข้าไปแต่มักน้อยเนี่ยเป็นธรรมะ ส, สาหรับพระนะคารวะเริ่มที่สันโดษก็พอละ ถ้าเป็นนักบวชนะต้องเริ่มตน้นโดยมักน้อยมักน้อยหมายถึงว่าถึงมีเยอะก็ปรารถนาน้อยอย่างวัดหลวงพ่อนะพวกเราเอาของมาให้เยอะปีหนึ่งปีหนึ่งเยอะมากเลยหรือไปเทศที่นูนที่นี่นั่นก็คนก็ให้ของมาเยอะหลวงพ่อก็ใช้ในวัดดูพระที่อยู่นานๆนนะจีวรผืนหนึ่งให้ใช้อย่างน้อยสักสองสามปีนะสักสามปี มันจะมีส่วนที่เหลือเยอะเนี่ยส่งไปให้ที่เขายากจนลูกส่วนใหญส่งไปทางสุรินทางไหนเนี่ยทางคนทางนั้นจนกว่าพวกเราเยอะเลยบวชเนี่ยนะเดินตัวเปล่าเปล่าเข้ามามาบอกอุปชาจะบวชผ้าก็ไม่มีบาทก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะเนี่ยเราได้เข้าของเราส่งไปเนพอเราปรารถนา น, น้อยมากน้อยเนี่ยมันจะมีส่วนเกินที่เหลือ มีคนในโลกนี้ปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดมากๆเท่าไหร่ทรัพยากรเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่ลำบากนี่คารวาสไม่ชอบมักน้อยก็ไม่เป็นไรเอาแค่สันโดษสันโดษหมายถึงว่าทำงานให้เต็มที่เลยแต่ว่าผลงานได้เท่าไหร่นะพอใจไม่เหมือนกันนะ มากน้อยเนี่ยมีมากก็เอาน้อยๆยเท่าที่จำเป็นอันเนี้ยเข้าไปจุดที่เรียกว่าเบสิคมีนิมัมนิดเลยเอาเท่าที่จำเป็นคราววาดไม่ถึงขนาดต้องเป็น Basic um เบสิคมีนิมัมนีดหรอคราววาดสันโดดมัทำมาหากินให้เต็มที่เล ย, เยแล้วก็ผลสมมติว่าตั้งเป้าว่าปีนี้จะกำไรร้อยล้านมันเกิดกำไรสิบล้านพอใจได้ทาเต็มที่แล้วพอใจที่ได้ทาสุดฝีมือลว มีความสุขตามมีทำได้ตัวหนึ่งก็คือเรื่องไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีก็เรื่องสำคัญถ้าเราจะภาวนาให้พ้นทุกจริงๆวันๆยุ่กับคนอื่นทั้งวันใจไม่สงบหลวงพ่อตอนเป็นค า, ารวาสเลือกงานเรากลับบ้านเลือกงานล้วก็กลับบ้านกินข้าวอาบน้ำอะไรเรียบร้อยเวลาที่เหลือมีเวลาภาวนา ถ้าวันไหนเหนื่อยมากก็พักผ่อนนิดหน่อยอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรเลงี้ยดูข่าวนิดหน่อยไม่ดูเยอะหลังข่าวไม่ดูมีแต่นิยายดูแล้วจิตเสียกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลส ท, ที่เกิดแลว้วก็แรงขึ้นกุศลที่มีก็าหายไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ยอมเกิดเลยหมดแต่ดูนิยายใจฟุ้งซ่านเรียบรักษาตัวมาด้วยเรื่องนี้นะ ไม่ยุ่งกับใครเวลาทํางานต้องยุ่งกับคนก็ยุ่งไปตามหน้าที่ติดนิสัยมาจนถึงวันนี้นะใครบอกได้ว่าเป็นคนสนิทหลวงพ่อพูดออกไหมพูดไม่ออกไม่มีลูกศิษย์เอกลูกศิษย์โทเนะท่าๆกันนะคือมาเรียนถึงเวลาก็ออกไปหลวงพ่อไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีกับโยมหรอกนะไม่คลุกอย่าว่าแต่โยมนะกับพระถึงเวลา วัดหลวงพ่อมีระเบียบนะพระห้ามเดินไปตามกุฏิึช่อกันอะไรกันนะยิ่งยามวิการนถ้าเดินไปนั่งคุยกันต้องนิมนต์ไปคุยที่นอกวัดเลยแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลกันนะคนละเรื่องของเราถ้าวันวันยุ่งกับคนมั่งภาว น, นาไม่ขึ้นหรอกยุ่งเท่าที่จำเป็นทำธุรกิจทำอะไรก็จำเป็นไปเลี้ยงลูกค้า ถือว่าครุกคลีไหมไม่ใช่มีธุรากิจต้องไปเลี้ยงกับลูกค้ากินเลี้ยงนนั่นคืองานไม่ใช่เรื่องคลุกคลีคลุกคลีไม่จำเป็นไม่มีธุราก็ไปยุ่งกับคนอื่นเา้าพวกเราหลายคนภาวนาแนละ้วชอบยุ่งคนอื่นนะภาวนาไม่ขึ้นหรอกงั้นเอาเวลามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองให้มาก แล้วก็ต้องปรารบความเพียนคือต้องคิดลต้องรู้ ว, ว่าชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตเราไม่ได้อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนหมาเหมือนแมวเกิดมาแล้วก็อยู่ไปกินหากินไปสืบพันไปตายไปชีวิตเราไม่ได้ได้คุณค่าขนาดนั้นเป้าหมายในชีวิตของเราต้องยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นได้การเดินทางในสังสารวัฏนี้ยาวไกลมาก เดีวมาปล่อยตัวปล่อยใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาไปเรื่อยๆแปบ๊บเดียวก็แก่แป๊แบบเดียวก็เจ็บก็ตายล้ในสมัยพุทธกาลก็มีนะสองหัวเมียเป็นขอทานอยู่หน้าวัดพระพุทธเจ้าชี้ให้พวกพระดูเลยบอกคู่นี้นะถ้าออกหมวดตั้งแต่หนุ่มนะเป็นพระรหันต์แต่ปล่อยเวลาเนื่นนานไปนะจนอยู่กับโลกแบบหลงโลก ทัพสมบัติวอดวายหมดสุดท้ายเป็นขอทานบอกตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วพภาวนาไม่ไหวแล้วทําไมปล่อยชีวิตไปนานเกินไปแล้วพวานาไม่ไหวเพราะธรรมชาติของจิตเหมือนน้าไหลลงที่ต่ําน้ําไหลามาถึงกรุงเทพไม่ไปไหนแล้วเพราะกรุงเทพต่ําำก็ปล่อยน้ําเข้ากรุงเทพน้ําไม่ไปหรอกน้ําำก็ขังอยู่นั่นแหละธรรมชาติของน้ําไหลลงที่ต่ําเหมือนจิตเนี่ย ไม่อบรมไม่ดูแลให้ดีนะไม่กั้นฝ่ายก็ทดน้ำขึ้นมาก็ลงต่าไปหมดปล่อยเวลาไปนานตามใจกิเลสอยู่หลายสิบปีพอแก่แล้วภาวนายากยากจริงๆเพราะใจเคยชินกับกิเลสยังเคยชินกับความฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพวกเราชอบมีเวลาว้างๆเราคิดเรื่อยๆไปพอแกๆแ่ๆกวนั่งคิดไปทั้งวันนะคนนี้ ย่อกลับมารู้เนื้อรู้ตัวยากมากเลยใจคุ้นเคยย่ีหนีไปคิดเรื่อยๆคนไหนเปอพลิตั ว, ตวจเจ้าชู้อะไรอย่างงี้เนะจ้าชู้ตั้งแต่หนุ่มๆแก่แล้วจเจ้าชู้ก็ไม่ไหวเนะยยังจเจ้าชู้ทางใจเห็นสาวๆก็ดีด้ดีได้เท่าหัวงูนะวันวันๆไม่ดูจิต ด, ดูใจนะี่ยจะดูแต่สาวอนะไรเคยชินธรรมชาติของจิตนั้นไหลไปตามความเคยชินเสมอ เราต้องดูแลมันให้ดีปราลบความเพียรความเพียรหมายถึงอะไรคําว่าความเพียรหมายถึงเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่อย่าให้เกิดขึ้นเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะเพียรพัฒนากุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามขึ้นไปอีกเนี่ยคำว่ามีความเพียรคือเพียรอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมนะดังนั้นเปลือกมัน เนื้อหาสาระของคําว่าความเพียรเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรพัฒนากุศลที่เกิดแล้วนะให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนี่เรียกว่ามีความเพียร น, นั่งสมาธิแล้วก็ตามใจกิเลสนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี้เพลินเพลินไปไม่ได้ปราลบความเพียรเดินจงกรมตนะั้งแต่เช้ายันค่าค่ ำ, ำยันสว่าง ในใจคิดแต่ว่าต้องเดินให้มากกว่าคนอื่นจะได้เก่งไม่ได้ปราลบความเพียรเดินมากก็ไม่ได้มีความเพียรงั้นความเพียรมีหรือไม่มีอยู่ที่ว่าสู้กับกิเลสหรือไม่สู้เนื้อตัวนี้ตัวสําคัญนะืแก่นสารสาระของคําว่าวิริยะสัมมาวายามะมีองค์ประกอบสี่อย่างปิดกั้นอกุศลนะที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมานะ ทำลายอากุศลที่เกิดแล้วให้มันดับไปอกุศลที่มีอยู่ดับอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดที่เกิดแล้วทำให้งอกงามขึ้นกุศลงอกงามได้ไมหมได้ยกตัวอย่างเรามีสติบ่อยๆนะคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆพอ ก, กิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันถ้าจะทำผิดศีลผิดธรรมนะมันจะละอายใจตัวเอง งั้คนที่มีสตนะิทําผิดศีลไม่ได้มันอายตัวเองนะกิเลสเกิดแล้วมัรู้ทันก็อายพวกเรารู้สึกไหมเหนืกิเลสโดยเฉพาะถ้าตัวเซลล์จัดเกิดนี่นะดูเป็ดเราหยุดถึกหน้าอายมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยแบกหน้าอยู่นะหน้าด้านไม่รู้เรื่องเลยนะภูมิใจเสียอีกเซลล์จัดภูมิใจเราดูเป็ดนโอ้มันน้าอายแล้วตามรู้ตามดูนะักิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราไปสนองมันเมื่อไหร่นะจะมีผลเป็นความทุกข์ตามมาเสมอเลย เราจะเริ่มกลัวผลของบาปเราจะไม่กล้าทําบาปแล้วก็กลัวผลของบาปเรียก ม, มีหิริมีอตตาปะฮิรินี่คือไม่กล้าทําละอายใจที่จะทําบาปอตตาปะนี่เกรงกลัวผลของการทําบาปอย่างเราพวาวนาสังเกตไม้มช่วงไหนถ้าราคาแรงๆนะปล่อยตัวตามโลกไปนะฟุ้งซ่านแหลกลานเลยแล้วถ้าสนุกสนานาเพลิดเพลินไปช่วงหนึ่งนะโทสะจะแรงจะเป็นอย่างนี้ ช่วงไหนโทรสะแรงอีกช่วงหนึ่งก็จะฟุ้งแหลกลานก็ไม่ก็ซึมไปเลย ใ, ใจมันจะมีผลนะเวลากิเลสเกิดทีไรนะใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาหาความสุขไม่ได้ก็มไม่จะกลัวการทำบาปไม่อยากทำทำแล้วมีความทุกข์แต่เดิมนะทาบาปแล้วอริสอร่อยนะมันมีสตินี้จริงรู้เลยทุกครั้งที่ทำบาปมนะัมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยให้คอยรู้เอานะ มีสติไว้แต่ไปมีฮิริอตตา ป, ปะคนที่มีฮิริอตตา ป, ปะนะละอายใจที่ทําชั่วเกรงกลัวผลของการทําชั่วเขาจะมีศีลอัตโนมัติเห็นไหมเนี่ยการพัฒนาของกุศลเราให้มีสตินะเรารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจเรื่องจะเกิดฮิริอตตา ป, ปะมีหิริอตตา ป, ปะจะมีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นไม่กล้าทําผิดศีลหรอกรักศีลยิ่งกว่าอะไรเลยคนมีศีลเนี่ยจิตใจมีความสงบสุข สมาธิเกิดง่ายคนทุศินไม่มีสมาธิหรอกอย่างคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะทำร้ายเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้กับเขาคิดจะโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนจิตใจไม่สงบงั้นมีศินนั้นก็จะมีสมาธิมีสมาธิจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวมาเจริญปัญญาได้ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้จริง มีสติก็มีหิริออตตะมีศีลมีสมาธิมาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คือมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วก็ดูธาตุดูขันมันทํางานแยกธาตุแย ก, แยกขันไปด้วยครูบาอาจารย์สอนไหมเด็ดขาดเลยนะว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันเนะี่ยอย่ามาคุยวัดเรื่องเจริญปัญญาเนี่ยสายปฏิบัติกับสายปริยัตนะิชนกันเป๊ะเลย แต่เดิมก็ชนกันนะเจอกันชนกันแหลก้านเลยไม่ถูกกันหรอกเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์พวกปริยัติกับพวกปฏิบัติถ้าเปิดใจกว้างๆหน่อยนะฟังดูทำม่านเดียวกันอย่างอาจารย์มหาบัวสอนนะอถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์อย่ามาคุยอวดว่าเจริญปัญญาในทางตำราทางปริยัติทางอรพิธรรมสอนเลยปัญญาตัวแรกเลยชื่อน้ำรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกน้ำ แยกรูปแยกนามก็คือแยกขันนั่นเองแยกธาตุแยกขันต์ตัวเดียวกันอย่างที่แรกก็แยกรูปนามร่างกายกับจิตใจตัวรูปแยกออกไปได้สีอย่างก็คือธาตุดินน้ำไฟลมตัวนามแยกไปได้สี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แยกออกไปไปแยกออกไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีตัวเราธาตุดินไม่ใช่คนธาตุดินไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธาตุน้ําไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความจํำก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ความคิดเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่ปรุงปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโกรธความโกรธไม่ใช่คนความโกรธไม่ใช่สัตว์ความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่คนอื่นความโกรธเป็นแค่สภาวะธรรมันหนึ่ง ตัววิญญาณตัวจิตวิญญาณนั้นเป็นความรับรู้รับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรับรู้ที่ตาเกิดแล้วก็ดับรับรู้ที่หูเกิดแล้วก็ดับไม่มีคนไม่มีสัตว์เรายกตัวอย่างเรามาดูซิการรับรู้ทางตาเกิดแล้วดับจริงไหมลองมองพระพุทธรูปดูมององค์ใหญ่เดี๋ยวท่านจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูตั้งใจมองนะ สังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เรามองเรามองชัดได้แว บ, บเดียวแล้วมันจะเบลอๆไปลองไปดูดูของจริงนะรู้สึกไหมชัดได้นิดเดียวแล้วก็จะเบลอไปรูปไม่เที่ยงนะแล้วก็จักขู่วิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาไม่เที่ยงเรามองรูปได้ชัดแว บ, บเดียวเท่านั้นหูเราได้ยินเสียงก็แว บ, บเดียวเท่านั้นแต่มันแว บ, บต่อๆกันมันเลยฟังยาวๆขึ้นมา เ, เสียงสูงๆต่ตําๆแล้วสัญญานี่เป็นตัวเ ป, ปลียนแปลถึงแปลเป็นความหมายว่านี่เสียงนี้คืออะไรเวลาที่เราดูรูปอะไรสักรูปหนึ่งสังเกตให้ดีเราจะมองเป็นจุดๆเหมือนต่อจิ๊กซออาศัยสัญญามาจมําไว้นะอย่างเรามองพระเนี่ยหรือเรามองคนที่นั่งข้างเราเดี๋ยวเวลามองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาสังเกตไหมเวลามองหน้าคนน่ยไม่มีมองสองตาพร้อมกันหรอกมองทีละตาเคยดูออกไหม ใครเคยเห็นบ้างแล้วจริงๆมองหน้าคนไม่ได้เห็นทั้งหน้าแค่มองตาใช่ไหมเรามองหน้าคนอ่ะเดี๋ไม่เห็นไหมเดี๋ยวก็ตาซ้ายเดี๋ยวก็ตาขวานะเราเปลี่ยนที่ไปเรื่อยมันเหมือนกับสุม่มสุ่มดูไปเรื่อยนะแล้วอาศัยสัญญาความจําเนี่ยประมวลภาพทั้งหมดขึ้นมา้็สรุปว่าอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้ชายจริงๆไม่ได้มีอะไรสิ่งที่ตามองเห็นมีนแค่สีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆสัญญาเข้าไปแปล ความรับรู้ทางตาก็เกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วเลยความรับรู้ทางหูเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วความรับรู้ทางใจเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยฟ้าบรู้ลงไปนี่จะเห็นเลยความรับรู้ทางตาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความรับรู้ทางใจก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ยคือการเดินปัญญาการเดินปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูนัสุภะการเดินปัญญานั้นต้องมีรูปนามมารองรับ ต้องไปดูความจริงของรูปของนามคือดูไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเรียกว่าปัญญาลำพังไปนั่งคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูณยุสุภาพอะไรนี่เป็นสมะถะกรรมฐานไม่ใช่การทำมิปั ส, สนาไม่ถึงขั้นเดินปัญญาครั้งหนึ่งในหลวงไปหาหลวงปุเทศในหลวงแต่ก่อนท่านไปหาหลวงปุเทศบ่อยเราเราี่อยู่กับหลวงุ่เทศบ่อยๆนะนั้นก็ได้ฟังเรื่องราวของท่าน ในหลวงไปถามหลวงุู่เทศว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญามือระดับพระเจ้าแผ่นดินนะถามต้องถามที่สุดเลยเหมือนพระอินไปถามพุทธเจ้านะเอาสุดยอดของกรรมฐานเลยในหลวงไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็ตอบที่สุดของศีลคือเจตนาบิรัตคือเจตนางดเบ้นมีโอกาสทําชั่วแล้วไม่ทำนั่นแหละเรียกว่ามีศีล อยากทำชั่วแต่ไม่มีโอกาสไม่เรียกว่ามีศีลอย่างคนอายุ120ปีเดินก็ไม่ได้ก็ดูกระดิก ก, ก็ไม่ไหวนะไม่เป็นชู้กับใครไม่ถือว่ารักษาศีลข้อ3ต้องมีปัญญาที่มีมีความสามารถมีโอกาสแล้วไม่ทำนั่นแหละมีศีลเป็นนักการเมืองมีตาแหน่งมีโอกาสคอรัปชันแล้วไม่คอรัปชันอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีศีลกินตามน้ำมีหมกินตามน้าได้ไหม กินได้แต่คอร์รัปชันอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ใคยได้ยินชื่อไหมท่านตายไปหนานแล้เป็นคนดีที่น่ารักคนหนึ่งอาจารย์สัญญาท่านบอกเลยคอมมิชชั่นคือคอร์รัปชั่านบอกอย่งนี้เลยท่านอยู่ง่ายๆนะตอนเป็นนายกอยู่ในธรเนียบนั่งอยู่ที่ตึกที่ตั้งของสภาความมั่นคงตอนที่หลวงพ่อไปทํางานนี่ แล้วท่านเป็นนายกที่ใจกว้างเปิดกว้างไม่มีใครเฝ้าอะไรไม่มีบอดี้การ์ดมากมายอะไรตอนปิดเทอมนะักเด็กนักเรียนมันไม่รู้เรื่องนะมันถือทูบถือตะกร้าใส่ทูบเข้าไปลุงช่วยซื้อเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าลุงเป็นนายกเข <c oughs> ้าไปถึงเมื่อท่านบอกนะคอมมิชชั่นคือคอร์รัปชัน พราะอะไรเพราะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาบวกเข้ามาในต้นทุนที่คิดงบประมาณทั้งสิ้นเลยใครเสียประโยชน์นะราษฎอนเสียประโยชน์ท่านมองลึกซึ้งเนี่ยเราค่อยๆมาเรียนนะมาแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยนี่เรียกว่าเดินปัญญาถ้าปัญญาแก่รอบจริงมิมุติจะเกิดหมิมะกุศล น, นะพัฒนามาจากจุดเล็กๆนะมีสติ มีสติรู้กายรู้ใจก็จะเกิดทีริโอตปากเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งในความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจเนี่ยในหลวงไปถามหลวงปู่เทศเขาบอกที่สุดของศีลคือเจตนางดนเวนที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิสมาธิมี3ระดับนะมีคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่จิตแน่วอยู่ในรมูปเดียวเลยนะ อุปจาระยังใสคณิกะนี่ไม่ใสแต่ว่าอยู่แวบเดียวระดับไม่นานมีแวบเดียวที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์มีท่านตอบอย่างนี้ที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์งั้นถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นเพราะฉะั้นวิปัสน า, ากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเห็นรูปนามยังไม่ใช่วิปัสสนานะ เรานั่งหายใจอยู่เห็นร่างกายมันหายใจนะเราก็เพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่ลมหายใจเพ่งอยู่ที่จ ม, มูกเพ่งอยู่ที่ท้องอันนี้สมาทากรรมฐานถ้าเห็นไตรลักษณ์ทำยังไงเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นในร่างกายนี้ที่หายใจอยู่นะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งแนะลง้วโป่งเข้าโปง่งออกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลย เห็นจิตที่เป็นคนดูก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มีหน้าที่รั้วรมเตัวเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเห็นความไม่เที่ยงอย่างเห็นร่างกายที่พองเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยุบเกิดแล้วดับใจเป็นคนดูจะรู้สึกเลยไม่ใช่เราพองไม่ใช่เรายุบนะรูปมันพองรูปมันยุบเนี่ยรู้สึกเงี้เวลาเดินอยู่ก็เห็นรูปมันเดิน รูปมันยืนรูปมันนั่งรูปมันนอนจิตเป็นคนดูไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนพวกเรา เ, าเวลาเดินเราก็เราเดินใช่ไหมปกติเราเดินเราไม่รู้ว่าเราเดินด้วยซ้าไม่รู้อย่างอื่นไปดูน้อนดูนี่ไม่ดูตัวเองขนาดกลับมาดูตัวเองนะยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรื่องวิปัสสนาหลวงปู่เทศถึงตูดในหลวงไปว่าที่สุดของปัญญานะ คือการเห็นไตร ล, ลักษณ์เนื้ออาศัยการมีสตินะเราพัฒนาขึ้นมามีสติก็มีฮิริอตัตตามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าปัญญาแก่รอบปัญญาแก่รอบในเบื้องต้นมันจะเห็นนะมั้ยรูปเกิดแล้วรูปก็ดับไม่มีรูปอตมตะเวทนาเกิดก็คือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไม่มีความสุขความทุกข์ที่เป็นอมตะความจําได้ความหมายรู้เกิดแล้วก็ดับ ไม่มีอมตะความปรุงดีความปรุงชั่วอย่างความกโกรธเงี้ยไม่มีความกโกรธที่เป็นอมตะไม่มีศรัทธาที่เป็นอมตะก็ไม่มีมีไหมศรัธทธาอมตะพวกเรามีไหมไม่มีหรอกวันนี้ศรัธทธาอีกวันหนึ่งไม่ศรัธทธาแล้แต่จริงๆลึกๆพวกเราศรัธทธาสิ่งหนึ่งรู้ไหมคนยุคเราเนี้ยเราศรัธทธาผลประโยชน์เราซื่อสัตย์กับผลประโยชน์ที่สุดเลยใครขัดผลประโยชน์เรานะเราโกรธเลย ครัพพุทธเจ้าตามใจกิเลสเรานะเราก็นับตือนะถ้าขัดผลประโยชน์เราเมื่อไหร่ไม่นับตือแล้วคนไหนที่ห่างไกลสัามมานะเข้าใจศรัทธาก็ไม่เที่ยงวิริยะเที่ยงไหมวิริยะวันนี้ขยันตั้งใจจะเดินจงกรมสามชั่วโมงเดินไปสิบห้านาทีพอแล้ววิริยะก็ไม่เที่ยงนะสติเที่ยงไหมสติก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีสมาธิก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฉลาดเดี๋ยวก็โง่อีกแล้วนั่งภาวนาไปตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมมแป๊บเดียวมึงอย่ามายุ่งกับกูนะยุงกำลังนั่งดูตัวตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราของเรายุงมาที่เดียวมึงมากัดกู ปัญญาก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะแต่ ก, กุศลก็ไม่เที่ยงอะกุศลก็ไม่เที่ยงไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยหรอกกุศลอนะเป็นที่พึ่งที่อาศัยสำหรับคนอยู่ในโลกเป็นทางผ่านศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางผ่านไม่ได้เป็นเป้าหมายพระพุทธเจ้าสอในใลคนมาบวชนะไม่ได้เอาศีล ไม่ได้บวชเพื่อศีลไม่ได้บวชเพื่อสมาธิไม่ได้บวช เ, เพื่อปัญญาไม่ได้บวชเพื่อจะเอาวีมุตด้วยไม่ได้เอาสิ่งใดเลยบวชเพื่อเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ต้องเห็นความจริงของมันว่าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะไม่ยึดไม่เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์ยังไงก็ยึดเช่นไปสอนกันนะว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่นิรันดรทาไมต้องประคองจิตเพราะม น, นจิตกู กูอยากเป็นพระรหารปะครองไว้เรื่อยๆสุดท้ายก็คือยึดถืออยู่นั่นเองยึดถือความว่างน้่เราฝึกนะเราฝึกไม่ได้เอาดีอะไรแต่ฝึกให้เห็นความจริงทุกอย่างอยู่ชั่วคราวให้เห็นมาทุกอย่างชั่วคราวได้โสดาถ้าเห็นว่าขันทั้งหลายเป็นทุกข์นะเป็นพระรหารเห็นทุกข์นะเห็นธรรมเห็นทุกข์นะรู้แจ้งอริยสัจไม่เห็นทุกข์ไม่รู้แจ้งอริยสัจ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมอะไรเป็นตัวทุกข์ขันห้าเป็นตัวทุกข์ต้องเข้าใจตัวนี้นะเรียนธรรมะต้องรู้นะนิยามศัพท์ที่พระเจ้าใช้กับที่พวกเราใช้ไม่ตรงกันนะต้องระวังความทุกข์อะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ตัวนี้เห็นขันห้าเป็นทุกข์ก็จะไม่ยึดขันห้าทุกวันนี้ไม่เห็นขันห้าเป็นทุกข์เห็นขันห้าเป็นของดีของวิเศษก็ยึดสิกายนี้ดีไหมวิเศษไหมห่วงจะตายไป น้ำเกี่ยวหน่อยหนึ่งก็ทนไม่ได้แล้โมโหโมโหน้ำอีกไม่โมโหน้ำก็โมโหใครเอาต้นไม้มีน้ามาปลูกอะไรเงี้ยหวงเนีภาวนาไปเรื่อยนะจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเซนจะไม่ยึดกายจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเซนจะไม่ยึดจิตถ้าไม่ยึดกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตก็ไม่มีอะไรจะให้ทุกข์อีกต่อไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ปัญญานะปัญญาเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจขันเป็นทุกข ขันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงกันเป็นทุกข์เพราะถูกบีบขันขันเป็นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของขันนั่นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์ก็ปล่อยวางไม่ยึดถือก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นพ้นขันเราพ้นทุกข์ดับสนิทแห่งทุกข์ก็คือดับขันพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากขันพ้นทุกข์กระดับทุกข์ก็คละขั้นกันพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพ้นทุกข์พระอรหันต์ถ้าตายแล้วเนี่ยดับทุกข์คือดับขัน พ้นขันยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าพ้นทุกข์คือขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตนะไม่เกี่ยวกันไม่ยึดถือขันก็ไม่ทุกข์เพราะขันวันหนึ่งขันแต่ขันดับไม่ได้ดับทุกข์ไม่มีอะไรจะให้ก่ออีกแล้วงั้นเราไปเรียนนะเราไปเรียนเริ่มต้นด้วยการปรับวิธีชีวิตของเรามากน้อยสันโดษเป็นคารวะจะเริ่มที่สันโดษไปสันโดษไม่คลุกคลีนะ ปรารบความเพียรมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตตนะพัฒนาขึ้นไปด้วยปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามสมาธิก็จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีศีลก็เจตนางดเว้นมีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำนะต้องอย่างนี้ปรารบความเพียรนั่ไม่นิ่งนอนใจกิเลสยังไม่ละต้องหาทางต่อสู้ไปกุศลยังไม่เจริญก็ต้องพัฒนาไปไม่นิ่งนอนใจนื่มีความเพียร ไม่ใช่นั่งมากเดินมากแล้วมีความเปลี่ยนนะนั่งสมาธิมากแล้วก็เคลิมสบายอยู่นั้นไม่ได้ล้ากิเลสไม่ได้สู้กิเลสเลยการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้กิเลสเร้าร้อนนะเนี่ยบำเพ็ญตบะกิเลสเร้าร้อนเรามีแต่ร่าร้อนเพราะกิเลสแระทั่ทงปฏิบัติเราก็ตามใจกิเลสสนองกิเลสไปเรื่อยๆต้องสู้จริงๆนะต้องสังเกตจริงๆถึงจะเอาชนะได้ แล้วพนกิเลสก็พ้นทุกข์เละกิเลสนั่นแหละศัตรูของเราไม่ใช่คนอื่นเป็นศัตรูกับเรานะคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเรานะต้องมองอย่างนี้นะชาวพุทธอย่างคนมาด่าหลวงพ่อไม่ให้เขาดา่าเขาดา่าแล้วเขาสบายใจช่างเขาถ้าเราโกรดตอบนี่นะเร็วกว่าเขาอีกรูเจ้าสอนอย่างนี้นะเออเชิญไปทานข้าวนี้หมดเลยครับ